สิขาบทที่ว่าด้วยการจงใจก่อความราคาญเรื่องพิชชณีทุลนันธา941สเ็สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าระทับอยู่หน้าพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพิกษณีทุลนันธาเป็นพู้หูสูตรเป็นนักพูดแกล้วกล้าสามารถกล่าวธรรมีกถาได้ แม่พระพัฒกาปิลาณีก็เป็นผู้หูสูตรเป็นนักพูดแกล้วกล้าสามารถกล่าวธรรมีกถาได้ทั้งเธอก็ได้รับ ส, สรสรเสริญว่ามีคุณสมบัติยิ่งกว่าคนทั้งหลายทราบว่าแม่เจ้าพัฒกาปิลาณีเป็นผู้หูสูตรเป็นนักพูดแก้วกล้าสามารถกล่าวธรรมีกถาทั้งได้รับสรรเสริญว่ามีคุณสมบัติยิ่งกว่าจึงเข้าไปหาพระพัฒกาปิลาณีก่อนแล้วไปหาภิกษุณีทุลนันทาภายหลัง ภิกษุณีทุลันนันธาถูกความริษยาครอบงำคิดว่าทราบมาว่าธรรมดาภิกษุณีผู้สารวนอยู่กับการอภิปรายเรื่องราวให้ผู้อื่นเข้าใจย่อมมักน้อยสนโดษชอบสงัดไม่ ค, คลุกคลีจึงชุนกรมบ้างยืนบ้างนั่งบ้า ง, น, ง, างนอนบ้างยกขึ้นแสดงเองบ้างใช้ผู้อื่นให้ยกขึ้นแสดงบ้างท่องบทบ้างต่อหน้าพระพัตกาปิลาณี